นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมะจารีสุขังสีติสาธาุฟังดูราผมยหกสทธาตั้งหลายในวันดนีก็ที่ได้เตตสนาธรรมว่าโดยรึง ผู้ปฏิบัติทงนั้นยอมอยู่เป็นสูขสืบไปไปนานเพราะคือผมเวี่ยงสทาได้ตั้งใจสะดับรับฟังเป็นอบบรับสืบไปผมเหวี่ยงสะทากนตั้งจิตตั้งใจเอามือลองฟังก็ได้วันนี้ก็ได้มาเ ต, αι, ต, αι, ต αι, ะศสนาธรรมเนผมมวีอยงสทา ตั้งแต่เมีออกเข้าได้มาสู่ทำตีวัดพระเจ้าหลวงกลางเวีงตีนี้ก็ได้มาตีสนาธรรมสองสามกอะเข้ามาสังเกตหันว่ามีกาเมีออกเข้าไข่หลเอก็หันมีเปออกก็ฉะนั้น มือเฮาเตดทำตีไหนก็ดีคอนก้อหนึ่งได้แห่ตั้งสินตั้งบุญเสีแล้วได้เสงก่ามสุดบุญตายไปขึ้นเมืองฝ้าสวรรค์มีนางฝ้าฮาโรยเวียดล้อมเป็นปริวาตอันนั้นทางที่เป็นได้เตยพ่อเกิดว่ไปหลายก่อนมีออกสะท่าไปหลาย กำน้ำก็มีตีวดาภายหลายตีวาบุทมีเก่เหมือนผมย่อศรัทธานในวันนี้ก็สอนว่าเป็นตีวดาวันนี้ตามปารีตีได้ยออขึ้นมากล่าวไว้อันต่างนั้นทำมาจารีสุขังสีตีเป่ว ผู้ปฏิบัติทมนั่นยอมอยู่เป็นซุขกัมนีอันปฏิบัติที่ไหยปฏิบัติหื้อทำอันว่านั่นเป็นหื้อไวผมมีอกสีท่าหลายผูหลายคนกมก่องใจถ้าว่าถึงรมส่วนหลายก็คิดถึงปรับรมอันตุปีพาปีเขาใกล้เตด เอามาติดกลงว่าก็ดีตั้งทระรเวินีก็ดีอันเตรียมใส่ในปรับษาเตรียมใส่ในใบาลานส่วนหลายไปคิดถึงธรรม น, นั้นทำในที่นี้หมายถึงกรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังตอนอยู่ได ออกโปรดเมื่ออายุสาวเก่าอายุสามสิบห้าได้ทัดผีเป็นสัพันยุพระพุทธเจา้าสืบแต่นั่นไปก็ได้อบรมสั่งสอนก็มีออกสะท้นานนาติสะในจุมปูติีด้ังเสียงตังมนเป็นเวลาสี่สิบหาปีตั้งแต่อายุสามสิบห้าถึงอายุเปดสิบ เป็นเวลาสี่สิบปีตีพระพุทธเจ้าได้เตศนาออบรอมสั่งสอนผมออกศธายั่งสิวันผมมียศธา พ, พุทธเจ้าเตศนากุวันต่อถึงเมื่อวันที่เข้าสู่ปรินิพานนั้นยังได้เตเตสนาธรรมน้นจังลูกบ่อยังเตเตสนาธรรมพราะฉะนั้นนั่มทำคำสอนของพระพุทธเจ้าตังสิ สืบมาถึงปัจจุบันเหมือเหลียวนี้ตั้งแต่พระอรหันตตาเขาเจา้าได้สืบเฮ็นสืบสอนกันมามีการเอามาหอมปองกันเป็นหมู่เป็นหมวดอันตังสุดนั้นก็ได้เหล่าสืบสืบกันมาห้องว่ามีการสังฆายานะเมื่อพระพุทธเจ้านี่ปานไปได้สามเดิน ก็มีการสังกายนาพระพุทธเจ้าเตสนธรรมติไหนเตสนาธรรมคือให้วางหือก้อยๆก่อมาว่าเนยกันเอามาเฮ็ดเป็นหมู่เป็นหมวดว่าอันนี้ทำในี่มีสองคอกาไว้ในหมวดสองทำในมีสามคอกาไว้ในหมวดสกันแล้วก็มีการแบ่งไปหัววัดต่างๆได้ศึกษาหําเห็นได้เล่าสืบมา ต่อถึงม า, าศาสนาเผยแผ่ออกไปปานเหมือผีอาโศกราชพบผอโศกราชพระพุทธเจ้านี่ปานไปสามปากไปสิบเอ็ปีได้ส่องภาษาข้าเจ้าออกไปเผยแผ่าศาสนาเมืองต่างๆเก่าเมืองเก่าสายสายทีหนึ่งนั่นก็มีไปสู่เมืองศรีลังกาพอไปเมืองศรีลังกา สืบต่อมาถึงนานวานเมืองเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปควันอันตี้จาในผมปอมีก็จึงมีการสังขยาณาปอกตีหนึ่งตีสองขึ้ในศรีลังกาในเมืองกะล่านันสังขาณาสามปอกไปเมืองศรีลังกาถึงสองปอกปอกทนฮานี่มีการเตรียมขีนนั่มทำคําสอนของพระพุทธเจ้าใส่ไว้ในใบหลางเตรียมเป็นโตลิก เมื่อสังเกตานานะขวบทนหานี่แท้ทือเผยแผ่เข้าไปในเมืองต่างๆสืบมาเข้าในเมืองไทยก่อเตรียมเป็นลิกไทยเข้าไปในเมืองหมันก่อเตรียมเป็นลิกฐ์หมนเข้ามาในเมืองขืนเขาก่อเตรียมเป็นลิกขืนนัน่นทำคำสอนของพระพุัธเจ้าอันเตรียมไว้ดีห้องว่าปิตา迦ตังสาห้องว่าปิตา迦ตั้งสามอยู่ในหันซิงสิง คำ น, นี้ปวหาติปฏิปธรรมทำมันว่านั่นก็หมายถึงนํำทำคําสอนของพระพุทธเจา้าอันอยู่ในปิตกาทั้งสามนี่คำ น, นี้ปฏิบัติธรรมีรรมปร่ปฏิบัติถือปฏิบัติง่ายๆเมื่ไรไปสอดไปหาที่ไหนก็มีออากสาั่งปฏิบัติสามตน์สามตง ก็คือปฏิบัติกายะวจิมโนอยู่ทีตัวเา่งกายะเาต้นตัวเาปฏิบัติถือวนเจากกันปุ๊บกันคากันตีกันแฮมกักปนอันนี้ปฏิบัติตงตงกายะตัวเขาตังวาจาูวนเจากก ปีดหลายจุพังเก่ากำอยากจ้าสาวัตอันดีงามปฏิบัติตั้งใจนั่นที่ปฏิบัติถือโดยรักปฏิบัติก็มีสองอย่างคือหนึ่งสมถากรรมฐานสองวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เป็นการปฏิบัติตั้งหนใจสมถกรรมฐานนั้นแห้คือใจนิม่มใจเต่งใจมัน เหมือนผมมีออกสัาธาเขามาหนังสมาธิกำนวดรมถวยใจเขาออกอันนี้ห้องว่าสมาธากำมาฐานกันว่าใจนิมใจติ่งแล้วปิจารณาตวัวตัวใจเฮานี่เป็นอันนี้จังตุกขังอนัตตาเหมือนไหนนี่อันนั้นห้องว่าวิปัสสนาเป็นสองวันสองตอนกันนี่ปวหอปฏิบัติระยาว ทำพระเจ้าว่าผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเขาก็สุปใจมีตังอุ่นใจอยู่ก็เยิมใจหน้าตาก็จื่นบานลูกหลานกอเข้าหาอยู่ในบ้านในเมืองก้มอ้ายเปิน่นเขาเข้าไปในกังหมูกังจุมก็มเหยียสัทธาก้มอ้ายเปืน่นพออะไรปฏิบัติธรรมแหตต์ตงดี เปล่งกับขวัญให้ขวัญเลิงขวัญดีพิศิตผิด ธ, ธรรมเข้าหมู่เข้าเก่ขวัญผมหัดยอกโหมหัดตุ้ยนาเ่อนเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมตัวก็อยู่เป็นสุขใจก็อยู่เป็นสุขทรัพย์ก็อยู่เป็นสุขขวัญในหอในเฮือนวันจองหอเฮือนก็อยู่เป็นสุขเพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมจึงเป็นนาฎีของหมู่เขาเจ้าพุท ธ, ธรรเขาใกล้สูดท่ำเหมือนกลมเอี่ยเข้ามาสูดนี่ก็มีประโยชน์แค่คือใจนิมใจติ่งใจมันกลมเอี่ยงแทาการสูดท่ำนั่นแค่คือใจนิมเหมือนการห้องเพลง ห้องเพลงนั้นในเพลงก็ยังมีเหมือนเรลืองก็ดีไข่สูบบางเพลงก็เป็นดีสุกเศร้าหมองใจบางเพลงก็เป็นตี่ดีอินดูสงสารแต่ทำพระเจ้าเอ า, าสูตรไปยาวแฮดือใจกัดยันแฮดือใจหนิมใจติ่งใจมันแฮดือมีหน้าตาจืดบานแจ่มใสเหมือนกลมหยอกส่ทา่าก็ใกล้สู่ วันนี้มีธรรมบทหนึ่งสอนว่าเป็นคาถาก่อนใดเอามาปั่มีออกสรธาตุจังยามยินคาถานกยุงคำโมระปริตัสูปน ม, มี อ, อัรธาตโมระปริตสูโมระเป๋นวนกยุงนกยุงคำ เอาไก่สูตรลูกเจ้ามาเวลาตุปีเขา้าน้าผ่าเจ้าก่อว่าไพสูตรใด ก, ก็วัยเมียศทาก็ได้อเปตยัญจักุมาเอกราจริสวโนปทวิปปาอันนี้ไปเจ้าสูตรก ร, รารมก็เป็นอนนเปตยัญจักุมาเอกราจอันนี้ห้องว่า กาานกยุงคาตีมามันมีตีไหนนี่ยังมีเมืองหนึ่งในสวนอุทยานของพญาจาเมืองนั่นมีนกยุงไว้หลายตัวซ้ามีนกยุงตัวหนึ่งเกิดออกมายามีตูมีขันเป็นสีคำสีเหลือง วันหนึ่งได้ไปกินน้ำเลยได้หันเงาตูวเจ้าเก่าอยู่ในนำ้ำก็มาคิดว่าอ้ตูวเฮานี่เป็นสีเหลืองเป็นคําเปลืงเปลิ่นกันว่าเฮาอยู่ในไห่ในสวนตีนี้นเปลิ่นก่อที่มายับตียั่งความจิบหายคือเกิดมีเกตุตัวเฮาสียมกาปอเมปี น, อน้องเป็นหมู่เป็นจุม้มเฮาก่อที่ใดเด็ดเนื้อหอนใจจอเลยได้บินป่ายไป ไปอยู่ติป่าหิมะปานพอมีออกสัทขาเหมือนไหนเหมือนไหนก็ได้ยินว่าป่าหิมะปานมันอยู่ติไหนป่าหิมะปานนั่นว่านั้นเป็นด้วยน้ําแข็งหิมะเป็นน้ําแข็งปานนั้นมาจากคำว่าว่าหน้าป่าหิมะปานก็เป็นด้วยน้ําแข็งปัจจุบันนีข้ของว่าดอยหิมะไหลอยู่ในเมืองกาลายาวลงไปตั้งเมืองที่เบี ได้บินไปอยู่ในป่าหิมาปานกำนั่นในเมืองนั้นมาเห่สีของพระเจ้าเมืองได้นอนฝันหันว่าได้มีนกยุงคำนี่เข้ามาถึงตีนอนแล้วก็มาตีสนธทรมือฟังเสียแล้วแหละบินป่ายมือนางมาเห่สีตื่นขึ้นมาก็ได้มาบอกกล่าวพระเจ้าเมือง พญาเจ้าเมืองก็ว่าก็เป็นการดีกันนี่นางก็ว่ากันว่าใครหันนะใครหันนอกยุงคําตัวนี้กันว่ามหันนี่ก็เป็นอยู่เป็นกินไรอยู่หมุนกินว่าพ้าเจ้าเมืองก่อใจขใึ้นไปซ่อหมนอกยุงคํานี่ไปหูจักพันป่าก้อนหนึ่ง แลยมากล่าวว่ายามเกยหันนอกยุงคําตัวนี้อยู่ติ่ป่าหิมะบานปุ้นก็นมาไว้สาวเพียรเมืองเพียรเจมืองก็สง่งเลิกเอานายพานันยอไปโซ่ยับเอานอกยุงคํานั้นมาไปยับเอานกยุงคํานั้นไปเป็นเจดปีเจ็ดเดินกล่อมไหลไปยับไหลกลมฮัดกอดกบานกอน ก, อกอเมือง ผัวพยรเจ้าเมืองได้คาได้แถงใส่ตูดนันดกรรมกรรมนี้นางมะเหสีนันก่ออวดไหลไหลหันก็มีตางโศกเศร้ามองใจในที่สุดก่อได้สร้างสมปานเสียงหุมไปเพยรเจ้าเมืองได้หันมะเหสีได้เจ็บจํานําใจสูกตุกหมองใจได้สร้างบุญไปนันก่อ มีตังเกตจ่าใจดังหุ้นนอกยุงคำสั่งฮืออามาดเตรียมหลีกใส่ไวในแผ่นคำแผ่นหนึ่งว่าการหวาใพร่อได้กินเนื้อนอกยุงคำนี่ตีฮดคือมีอายุมันแก่งยืนยาวเตรียมใส่ไวแล้วเอาไปไว้ในกลางในหีบดีๆสืบต่อ่าพญาเจ้าเมือง ตอนนั่นได้สร้างบนไปพิ娅จอมเมืองตอนใหม่ขึ้นมาได้ไปหันใส่แผ่นคํานี่กาะใจใหือกนไปหาแทงต่อถึงพิ娅จอมเมืองก็หลงแลีวไปเจ็ดเจ้าเจ็ดพิาจอมเมืองหลงก่อนไปนายพานก่อสิงไปเจ็ดกากลมมีพายาบนอกยงคําตัวนี้ไรกันนี่สืบม่าพิาจอมเมืองแทงตอนหนึ่งได้ห้องเอา นายผ่านมาคือว่าคือไปยับเอานอกยุงคำไปหันตีอยู่มันยาวนายผ่านกรนี้กงมือไปถึงตีป่าหินอปานก็ไปหันนกยุงคำไปหางเหี่ยวใส่เหเป็นเวลาเจีปีกลมจังยับนกยุงคำตัวนี้ไดแค่ถือก้อยับอะไรใส่เหใส่เหี้หยวผลมจับไะไรสิปอก กันว่านกยุงตัวนั้นมาจับใส่ก๋เห็นั่นหิวนั่นกล่อมหลังใส่ตัวเมียเสืทากันนี้มันก็มาพิจารณาตวัวเป็นสังแหละนกยุงคําตัวนี้หนิมจับเหี้ยวจับเหอยู่หลวดมาพอดใดเจ็ดจุ่ขวัญผ่านขวัญมากันนี้ก็สังเกตนั้นว่าลูกเจ้ามานกยุงคำตัวนี้ก่อนติดที่ออกไปหากี่นั่น ไปจับอยู่เนื้อไปลายไม่สูงเสลหละสวัดคาถาว่ากาถาอุตตายันจคุมาอการาจาหาริสาวาโนปทวิปภพาโสเนี่ยต่อเต้าประสุดแล้วก็ออกไปหากินกันว่าขมายาหากินตีนอนอนเหอก่อนตีติเขานอนนอกยุงคำนี่ก็มาสวัดคาถาว่า อาปิตยันจักภูมิอการาชาริสวันโนปทาวิปภาสุตอดถึงประุดแล้วก็เขานอนสืบมาเจ็ดจูอายุคนนอกยุงตัวนี้หากินรอดป่อนพยากังวันอันตรายต่างสิ่งไม่ไปถูกเหีว้วมไม่ไปถูกเหตินายซิพส์กันนี่นายพานี่หันส่ยเอากออติเต็บเป็นพ่อว่านอกยุงทำนี่ ในสวสดที่ยายกาถาสองวดนี่แหละออกมือหากินมาเข้านอนจึงถูกเหี้วถูกเหตีเฮ็ดือดีมันก็มาพิ จ, จารณาบอกไปตีเฮือนไปยับเอานอกยุงตูวเม่ขันดีขันงามขันเสียงงุนเอามาฝึกมาสอนเป็นเวลาหลายเดือนใจขันก็ขันในคำเดียวใจคืดก็คืดในคำเดียวใจฟ้อนก็ฟ้อนในคำเดียว กรมนี้ก็มันก็นกยุงตัวเม่นั้นไปไห้จําไห้ตีเฮี้วติมันห่างไว้นั่นนกยุงคำบินออกจากธรรมในดอยหิมะปานมาไฟเจ้าตึกหาที่สวสดที่ยายกาถาอุตตยต า, ายัญจโหมัยอยู่นั่นนายพันนันได้ดีดยคกับเอา เป็นสัญญาคือนอกยุงโตเมนี้ฟ้อนกาเลยขันเสียงมุ่นเสียงพ่อกันเดีอวพอขันเสียงมุ่นเสียงพ่อนี่พญานกยุงคำตัวนั่นก็เป็นอันหลงลืมสติไปกันเดีอวผเหวี่วยสงสัทธาเขาเสียงโตเมนี้ง่ายๆนะเออสียงเม่จริงนี่ให้ดึงปวดใจหลงลืมสติก็อนเลยขันหลงลืมสติกันเดียวได้ขันนอกยุงโตเมนั่น ฟ้อนเอ็นกายอยู่ก่บินผู้ล่องมาหากําเนียวพอบินผู้ล่องมาหาย่ําใส่เฮียวเฮี้ยก่อพูดเอาขาคาเดียวผมเหยาะสะทากกาถานี่มันตั้ได้สอดอ่ะกัมณีพูดเอายก็พามันก่อแยกไปถ่ายพระเจ้าเมืองพระเจ้าเมืองก่อว่าที่คาที่ห้ำตะก่อว่าได้ตีสนาธรรมเนี่พระเจ้าเมืองฟัง ว่มิจฉาติฏฐิอันหันพิษหันเปิืงนั่นติเต้นั้นตูวคานอกดุงคํำนี่ก่อเป็นนอกธรรมดาใพ่ได้กินก่อเป็นเนื้อธรรมดาน่าทีอ่อยู่อายุยืนยาวมันเกี่ยนผมใจตีอยู่หลอดว้นพยายาตกัง้น อ, อันตรายมานี่ก่อโดยกาถาสองบ่นี้อปตีตายันแหล่ปุติตายันแหล่อาปตีตายันอันเขานอกพระเจ้าไปเจ้าไปคํานี้ เหล่อดวอนมาแล้วก็เพียเจาเมืองก็ได้หู้หันถึงทำเสียเลยปล่อยมมือเพราะฉะนั้นผมออกสัทธาการปฏิบัติธรรมสูตรธรรมกำรเจ้งงือได้หู้ได้เข้าใจในเรื่องนํำธรรมกำมสอนนั้นมีประโยชน์เข้ามาสูตรธรรมในวันวันนี้ ก็ถือว่าเป็นการสูตรอันดีอันงามแค่รือตูวเขาอยู่เราซาดีอยู่ดีกินหวานกลุ้มขวางฮักษาบานเมืองของเขาแทนตู้ปีผ้าปีเขาหลายตอนลืมสวดคาถานี่ไรซึกไปกว่ามีเมียก็เออที่ออกไปบินถบาตที่ออกไปกุมบาทมึงตั้งสวดคาถามึงตั้งว่าอุติตาหยันไปหันใส่เมียกงามซึกกันเดียว เพราะฉะนั้นก็ฝากเมียเขาเอากาถาสองปนี้ไปสูตรในปัธรรมกรรมฐานเมียเขาก็มีเพราะลูกเจ้ามาไว้พระเจ้าก่อสูตรกูตีแต่ยังจะขู ม, มาเอการาษาไปํา ม, มาก่อนที่นอนก่อสูตรได้แล่นนอนออกไปโซวห า, หากินก็ดีไปกล้าไปขายก็ดี ก่อนรอดพะยะคังก้อนอันตรายอยู่ดีกินหวานมีอายุมันเกี่ยนเยนยาวโจวนมานขมจังมายากมาเตาใดอันนี้จึงเป็นติมาของกาฐานนกยุงคานอกยุงคานี้ย่อนเปิืว่าปฏิบัติธรรมได้อยู่เป็นซุขมาเจ็ดจอายุขันปาลีติหยกมาว่า ธรรมาจารีสุ ข, ขังสีตีผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนั่นได้ยกตัวอย่างนกยุงคำนี่มาเนีปมเมียกสัทาฉะนั้นปมเมียกสัทาก็ได้กำแจ้งปฏิบัติเ็ดไปจอมแทงผ้ากานหนึ่งเขาใกล้ไปหาครูบาอาจารย์ไปขอการถา ไปขอของดีเปิดมาของดีก็ดีกาฐาก็าดีอันเปิดปันเข้ามานั่นเปิดมีกาฐามันจอมเปิดมีคำสอนจอมว่าเราได้คำเจ้นั่นคืเอเราได้คำเจดีมันจังติปิติยมเหมือนกาฐาขายโคดีโอมออากาสะขวัดหึก สูตรการนี้ใคขายโคดิมใจผมเหมียบเซาต้องหูตีป่องมันอู้อันวานั้นอุทธานาะสังปตาเป๋วใกล้แฮตใกล้หาอาอันวานั่นมาจากว่าอารักษาเป๋วหักษาไว้ดีใกล้ฮตใกล้หายเาักษาไว้ดี ก, ก า, า, ก า, ากอันวานั้นมาจากกาเลียนมิตต า, ามีมิรเสียวสหายตี่ดี ไก่หาเยเหย้าหมอหักษาเหย้ามีสหายมิดเสียวตีดีผมมีสาหามีมิดเสียวดีจวนกันไปต่อพ้าหลองศอไปในตังเมือกตังเลงเงินคำหามันกมจังมี่ใดอูอากาซ่ากันซ่อันว่านันมาจากสมชีวิตาสมาชีวิตาตาปองว่าอยู่ในบ้านในเมืองไหนก็ดี เฮ็ดตามหีดบานกองเมืองอย่าปีร่อนปีเหลอเฮ็ดตามนำทำกำสอนอย่าปีล่อนปีเหลอเฮ็ดตามหีดบานกองกองเมืองกฎหมายอุปัติบานเมืองล่อนเหลือสี่ข้อนี้เป็นกาถามหาสถีิของเสภาแท็งตีหนึ่งกาถาสาหุมเมตเทาสอนมะว่า อมผามือจาเตีนาใหญ่ไตเงินยาวสาวหุ่มติบพอฟังกันี้ไปเป่าใส่สาวสิบกัมสาวของผมเป่าใส่บ่าสิบกัมเ่าของผมอันไหนก็แล้วแต่ที่เรมีตีป่องมันถามือจาเตีนาใหญ่ไตเงินยาวถามือจานั่นกล่องว่าไก่เฮ็ดกางผมเหนียวสะทาถามือจานั่นไก่เฮ็ดกาง คนวานงจรงึงเฮ็ดกมเฮ็ดหใส่กินหน้าบวกหาใส่สวนพอผ่ามือจาไวในใกล้พวกหาใส่สวนใกเฮ็ดการเตนาใหญ่ฟองว่ามีโหรหาโหหน้ามูลขุนหลายไตเงินยาวก็มีเงินนำใกล้เฮ็ดการมูลขุนใหญ่มีเงินนำอันนี้สาวขุนบา ผมยียบเสีทาได้หูได้จําไหวปอกไปสอนหลูกสอนหลานก่อใดผ่ามือจาตีนาใหญ่ไตเงินยาวเป่าลมติดฉะนั้นธรรมะขอปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติกรรมเจ้ยงด่ดยมันจังตีเป็นดีต่อตัวเราเขาจังตีอยู่ยันเป็นสุขอยู่ดีกินหวานการปฏิบัติอันว่านั้น ก่อเหตุใดสามตังเหมือนตีบ้านเนี่ยผมยอสัตหคือหนึ่งตั้งกายะตอนตูวเฮานี่แว้นเวจากกันปุ๊บกันป้อกันตีกันขาตั้งหมึกตั้งเลิ้งปุ๊บหูป้อเก่ากันเว้นเวจากกันขาสัดตัดชีวิตขาเจ้าเอาของเล่นจู้สู่หมีจะนีนี่เป็นการพิจตั้งกายะสั่งสิ่ง เ, เว่วจะี่ก่อได้จิวว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในกองศาสนาตั้งวาจาก่อเว่นเวจากการอูจุหมอจุสนส่อวาใหา้ตั้งเมือตั้งเลืองเป็ดไหลคือเปิ่นได้รู้เลยซุมคือเปลิ่นได้เสียเยหายเว่นเวจะนี่เลยก่อเป็นการปฏิบัติธรรมตามกองศาสนาพระพุทธเจ้าตั้งใจนั่นก่อแค่ดือใจดีใจงามมัน กรรมเจ้ยงปฏิบัติในสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสองเจอสองผ้ากานนิ้วมือขาดก้อยแจ็บหอมพรรณนาบุญไปเติ อ, อีเตอรน้อยอวันอีดวันน้อยมีเวลาขิ่งไหนก้อยเฮ็ดขิ่งนั่นปฏิบัติขิ่งนั่นจังที่เป็นประโยชน์กับตัวกับใจเฮาสืบไปไปลายนาวันนี้ได้มาเตศนธรรมเนผมมีออกสัทธาว่าด้วยเรื่องผููปฏิบัติธรำหย่อมอยู่เป็นสุขนั่น ก็หันว่าสม ก, กุลแก่กาลเวลาขออือผมหยอกสะทาทุกภูทุกขันได้สนําจําจื่อไว้เอานํำทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติกคำแจ้งสืบไปไปายนาะคือผมหยอกสะทาทุกภูทุกคนได้มั่นจเจริญสูตรทำกรรมฐานมือขาดคืออยู่เราา่าเศร้าดีอยู่ดีกินหวานสืบต่อไปไปายนาะคือพ่อม เต็มทนไปโดยอายุวันณะสุขาภร้าเหมือนกันตุกูตุกคนขียาเตสนายังธรรมันจื่อวาผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนั่นก็สารเจ้าบุรามวนการาโกนเตานีก่อนเลย